ไม่ต้องไปเสียเวลากับเหตุปัจจัยอาการต่างๆเพื่อให้สะดวกในการศึกษาปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติถ้าเราไม่จัดเกณฑ์มันก็มากเรื่องอะไรต่างๆมากมายเข้าม่ถึงเนื้อถึงตัวมัวแต่ไปข้อง ติดอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเรามีความจัดเกณฑ์นในการกระทามันก็สะดวกมันก็ย่อย่อให้น้อยลงชีวิตของเราถ้าว่ามากก็มากถ้าเป็นกินเลสตันหากว่าแปดมืนกิเลสพันห้าตันหารอยแปดแต่เป็นเรื่องกายเรื่องใจมีอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าเรามาย่อให้น้อยลงเพียงกบมือเดียวมือนกับพระสาวกวังโลกย่อโลกมา อ, อยู่ในฝ่ามือของตัวเองหรือพระสาวกวังโลกพอเข้ามาบวดแล้วมาศึกษาเรื่องกธรทมเวันยอะไรๆก็ไม่แต่ผิดแต่ผิดหมดสีนก็สองรอยยี่สิบเกด วินัยอะไรต่างๆมากมายพอไปศึกษาแล้วโอ้มันมากขนาดนี้ทำไม่ไหวหรอกเลยหมดศรัทธาอยากเกิึสุาลาเพศเราไปกราบพระรพระุทธเจ้าราศึกพุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมจึงศึกเพราะเพราะว่ามันยากเกินเกินมากมายไม่แต่ผิด ตาทางหูจมูกเล่นกายใจลูกลสกินเสียงทําอะไรไม่ได้มันมีแต่ความผิดพอจะเป็นบาปพระพุทธเจ้าก็ทำ ม, มากเกินไปก็เอาน้อยก็ได้อะไรเอาได้ก็เอาถ้านี้บอกว่าให้ปกติให้ทําใจให้ปกติถ้าทําจิตใจให้ปกติก็อร่อยเออถ้าอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่ถ้าทํำอย่างนี้ได้อยู่ พอไปทําไปปฏิบัติทำใจให้ปกติปกติที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันตผลแต่มันทํา น, น้อยๆการปฏิบัติทำก็เช่นกันเรามาสร้างสติเนี่ยกายมันก็มีนะ่ะเอากายมาสร้างมันก็ปวดขาปวดแขนเรื่องของกายก็มีเยะแยะไปหมดเลยนั่นก็อยจะไปพองไปติดมัน ตัดไปเลยเห็นกายสักวากายมันแสดงอาการต่างๆจะมีเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของมันแล้วก็รู้เลยไปสร้างความรู้สึกตัวเลื่อยไปเรื่องของความคิดจิตใจก็มีเยอะวิ่งไปหน้าวิ่งไปหลังเรื่องอะไรต่างๆ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 แลงอะไรต่างๆโอ้ความกว้ากกันนั่นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเรามองไม่เป็นถ้าเรามองไม่เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่เต็มคู่เรื่องคนเรื่องความเป็นอยู่ร่วมกันขัดอกขัดใจไมช่ชอบคนนั่นชอบกันนี่ไปใสิแล้วเป็นโกกเป็นเหล่าเป็นพฤติมาน้าเกิดขึ้นเป็นไปได้ถ้าเรา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 ลูดสุดตัวที่ลมหายใจกัรูดสุดตัวชีวิตเราทั้งหมดมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีอะไรแล้รูดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเอาไปมามีแต่ตัวรูดไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรประกอบก็มีแต่พวมโู่เอามันปานนั่นแหละให้มันทุ่มเทสักหน่อยไม่ใช่หยอกหยกแก่แก่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 จับเดาจอเกียมันฟัดมันกระทบมันตกตกเต็ดเตดมันไม่แน่นันเราถอนยาแฝกถอนยาขาถ้าจับแน่นไม่เป็นไรถ้าจับไม่แน่นมันบาดมือถ้าว่าทิ่มลงไปทุ่มลงไปงานที่มันยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายการปฏิบัติธรรมก็มันแับ <c oughs> เข้าถึงตัวรู้เลย จะไปถึงลูกคิงหลงค่ะคิงลู่คิงหลงมันยากแล้ข้าไปถึงความรู้จริงๆมันไม่ยากพรามันก็มีมันเป็นความถูกต้องที่สุดความถูกต้องมันไม่ยากความไม่ถูกต้องน่ะมันยากล้วความถูกต้องเราก็สร้างเอาสร้างเอาประกอบเอาแ้เรามาสร้างความรู้มันมีความรู้ มันไม่อะไรก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยมันจะไม่ไม่รู้เปลี่ยนเป็นตัวรู้มันจะมีผิดก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้มันจะไม่โธ่ก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวโลดเนี่ยขก็ไม่ไดเป็นตัวผิดไม่ได้เป็นตัวถธ่ไม่ไดเป็นตัวสุขมาได้เป็นตัวทุกตัวโูดมันคือตัวรู้เด็กคือบาบาที่รู้สิตัวนะั้น แล้วความรู้สึกตัวก็สร้างได้จริงๆไปอยู่ตรงไหนก็คือความรู้สึกตัวมันไม่เหมือนอย่างอื่นอาสินก็ไม่อยู่รักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยชื่ออาสิอันงทีมันจากัดแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยครอบจับ ก, กวาดแสงแดดร้อนก็รู้สึกตัวลมหนาวก็รู้สึกตัว อะไรอะไรก็รู้สึกตัวไม่แต่ในฌานอากาสารัญญาชตนะอาจินจัญญานะญาณสัญญาชนนะเนวสัญญาญาฉัญญาณเวทะยทินี่โลรคไม่มีตัวไม่ตนไม่มีอะไรก็มีความรู้สึกตัวมีสติแล้วเลยอยู่ปอนนั้ะพัฒนาสติไม่บัศย์บัจอะไรที่เราจะมาดูกายเลย ดูไปัวมามไม่ได่อยู่ตรงไนี้มนไม่ไอยู่ที่กิจใจไม่ไม่อยู่ที่สุขททุกข์มันอยู่ของมันเองความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตัวนี่แหละที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายในเราปวดไหล่ปวดตัวมันก็เป็นอย่างนี้เราก็เห็นมันเห็นโลกเขาจะพูดว่าเวทนาก็าจะบว่าเวทนาไม่ใช่จัตุรุคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ อย่าไปหัวซามันพอปวดกระสายซาอย่าไปหัวซาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ถ้าเราไม่จัดเกณฑ์กับข้องยุ่งเกี่ยวเปิดปนนะทงไปเนิดหน่อยก็ปวดก็เมืออม่อยคมเมื่อยพาให้เราพ่ายแพ้การงานต่างๆ ความร้อนความหนาวพาให้เราผายแพ้่พาให้เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราจ เ, รเจริญเียๆไม่มีอุปสรรคผมปวดผมเมื่ไม่มีอุปสรปคมมปรคเป็นฐานเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่เราจะต้องเห็นเห็นสิ่งที่มันข้องติดเราก็ผ่านได้มันติดตรงไหนก็ผ่านตรงนั้น การปฏิบัติทมนะไม่ใช่ให้มันติดอยู่มันเลีงติดตังไปไม่ได้ตัวรูปจริงๆมันไม่ได้ติดพยายามให้ถึงเข้าถึงตัวรูปจริงๆเข้าถึงกลมจริงๆมีการกระทําจริงๆทำที่มันเกิดความรู้สึกตัวจริงๆอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวเราจะเปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวทั้งหมด มันทำได้จึงจะเป็นนักปฏิบัติจึงจะเป็นนักกรรมฐานจึงจะเป็นนักภาวนาจึงจะเป็นพระโยคาวาจรผู้ที่ลุยผู้ที่ลุยชีวิตได้เหยียบย่ำควงโลภความโกรธความหลงเหยียบย่ำความเห็ น, นแก่ตัวแหลกลานเลย เหยียบย่มโศกทุกทเหล็กลางไปเลยเรียกว่าพยาคาว่าจอดคือมันลุยไปลุยมันแล้วหมนรถวิบากมันลุยมาแล้วเร า, าทําเพื่อให้มันเกิดการลุยนั้นไม่ใช่จเหยาะเหยียเหยียดที่เป็นของเราต้องใช่แต่ใช่ไม่ให้มันลุยมันก็อ่อนแรงมันฝ่าเท้าเรา ใส่รองเท้าเดินไปไหนแต่ถ้าถอดรองเท้าลุยมันก็มันก็เก่งได้มันก็เก่งได้มันพัฒนาตัวมันเหมือนเด็กก่อนสองปวกสามปวกพัฒนาไปพัฒนาไปวันนี้พัฒนาได้อันนั้นวันนั้นพัฒนาได้อันนี้มันอยู่เรื่งไมเป็นไม่ใช่นอนแบบอยู่พอนอนไปมันพลิก่ว้องพอพลิกกว้องมนก็ดิน้นดีขาดีแขน มันพัฒนาตัวมันไ้อนุ่นได้นี่ไว้ว่าก็คานเยาะเหะแก่แกะพูดอออแอ่เค้มือเค้เท้าเรียนแบบดูน่นดูนี่ไปเอาอย่างนุน่นอย่างนี่ไปพ่อแม่ก็พ่อพออนอน น, นู่นอนนี่ให้กัแต่ว่าก็เดินได้วิ่งได้เออจับหลบลี่ตีไัยกันการพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยตัวสติตัวเนี่ย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 เัินไมทองไปเรื่อยๆกันหลวงพ่อไปเห็นทะเลบัรจังหวัด ส, ต, ส ต, ตูลโอพากันไปชาวบ้านป่าไม้อยู่พอมาเข้าอยู่ในเมืองอ่อนแอไหวเรื่อยหนีเข้าป่าดีเข้าธรรมนี่ผู้นี้คนไม่ใช่เพราะมันไม่สู้ตรงนี้มันยอมตรงนี้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 ปัญหาอยู่ที่ไหนแก้ปัญหาที่นั่นเหมือนพร ะ, รรระราาพุทธเจ้าโสดภเหมือนพระสกิโปดภัสสาลิบุตรเยธรรมาเหตุตกกพวานันแต่สังเหตุตรงตถาคโตดภแต่สัญญายโิโลโทจะเอวังวันเถิมหาสวรรค์เหตุเกิดอยู่ที่ใดดับที่ทั่น มันก็มีเท่านี้เพราะมันดีแล้วที่เราเห็นอาการต่างๆพวกเราก็มาบอกนะว่า น, นี้นเห็นม่วงมากวันนี้มันคิดนั่นแหละของจริงแล้วเห็นของจริงได้บทเรียนแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์นันแหละเห็นของจริงแล้วเกิดกิเลสตนะัณหาวิบาททีนะมิทะกามาลาคะนั่นแหละเห็นของจริงแล้ว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 ผลไม่แต่คาบอะไรต่างๆก็อยากรู้ว่ามันอะไรก็เข้าไปเข้าไปดูเป็นนอนที่แรกก็ น, นอนในห้องไม่ได้มันชอบที่จะหวาในห้องนั้น ม, มืดไป น, นะอะไรออนอนเขานอนเราค่อยไปดูบางคืนก็ค่อยไปเปิดดูพอไปดูห้องกินก็เห็นหมดมัน มันลงมาเป็นแถวมันคาบมันคาบว่าขยะอะไรไม่รู้มาวางไว้ก็ขึ้นไปเป็นแถวโอ้ไอ้นี่ตัวนี้เหตุมันทําให้กติมันโลกหลงหลังมันตัวนี้เราอย่ามองไปป้ายทางมันอย่ามองไปป้ายตันทางมันก็หยุดก็ช่วยกระจายกันเลยพอถูกยาหมอง ฝ่ายทางก็ช่วยกันใจแต่สานโมกันไปคนละทิศละทางมันก็เลิกกันคืนที่สองเราไปรู้ีกมันก็ไม่มีนี่ยี่ธรมะให้ทุกพระว่าอย่าไปโกรธไปโกรธพดโอ้ยโวยวายอย่าไปโวยวายนี่แล้วเราจะได้เห็นของจริง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 อันนั่นไปไม่ได้ทางไหนหรอกแต่ถ้าว่าลุยมันสักหน่อยเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เออเห็นมันดีเห็นมันไม่ดีเอออย่างนแล้วค่อยๆออกไปสักหน่อยแล้วเปิดหน้าต่างออกไปดูแล้วเปิดประตูออกไปดูแล้วเห็นตัวเองแล้วเห็นไปเห็นมามันก็แดงให้เราเห็นเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไ ป, ไ ป, ไป แล้วก็ดูมีสติเราไปามาความรู้สึกตัวสตินี่แก่กล้านะถ้าเป็นแล้วสติก็หลุดอ่อนมันกับขาดสชแล้วมันกับยอดยอดผักยอดมะม่วงแล้วมันขาดอยู่เอยต่อยอดที่ไรก็ขาดเลยต่อยอดที่ไรก็ขาดเลย มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดดอกออกผลได้เป็นสุขก็ขาดแล้วเป็นทุกข์ก็ขาดแล้วต้องเห็นมันถ้าเห็นนี่ยอะไรแก่ก้าแล้วมันแก่ตรงนั้นมันแก่ภาะว่าที่เห็นนั่นแหละมันสุขเห็นมันสุขนั่นแหละแก่แล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์นั่นแหละแก่แล้วมันผิดเห็นมันผิดนั่นแหละแก่แล้ว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 แต่ถ้าความทนที่ไม่มีความรู้สึกตัวมันเจ็บปวดเหมือนกันเนนวลามันโกรธก็อดเอาอดต้องเวลามันโกรธก็อดต้อาอดเอาประมาณไม่ใช่ต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวเพราะมั่วมีความรู้สึกตัวเนาะมันเกิดขึ้นมาเองความอดทนความละอายความอมเมตตากวลมันเกิดขึ้นมาเองอ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 ไม่รู้จะเป็นอย่างไรไม่มีคำพูดแบบนี้หรอกนักปฏิบัติทำดูก่อนทำดูก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงไม่มีคำพูดอย่างนง้นักปฏิบัติไม่แต่พูดว่าเราจะทำเราจะปฏิบัติเราจะดูเราจะเห็นเราจะดูคำว่าไม่รู้จะเป็นยังไง จะไม่ไหมถ้าว่าไม่ไหวก็จะไม่ไหมถําว่าแย่ก็จะไม่ไหมนักปฏิบัติคํานี้ไมไ่ใช่เลยไม่แต่เห็นอไม่แต่อืมอืมว่าอืมนี่เป็นเป็นวิปัสสนาแต่ว่าโอ้ไม่ไหวนไม่ใช่วิปัสสนา คนละโลกกันแล้วความคิดอันเดียวไปคนละทางถ้าอืมเห็นทุกข์ก็อเห็นสุกขก็อมเห็นมันผิดก็อืมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดตัวเรานอกตัวเราก็ยังอืมเห็นคนแก่เห็นคนตายอืมไปดูคนตายสองวันก็อืม มันก็ลองห่มลองให้เสียใจอจื็นอย่างนี้เนาะหอมเก่งเปน็นอย่างนี้แต่คนไม่ยอมรับไม่ยอมรับของจริงจะไปตู่ออกจะไปตู่ออกวันเอาไม่ได้แต่อื้ามาเออเนี่ยมันมันมีอะารหลายหลายอย่างเป็นทาง โลง่งถ้าเดินทางก็โล่งเกลียวไม่มีรถจะขัดไปคนเดียวจริงๆริงว่าเออ ไ, ไปคนเดียวแต่ไม่ไหวแย่เลยเป็นกอ้อเป็นเชนยังไงตายไจแล้วหลอก็ลอกแย่แล้วมืดเลยไม่มีทางไม่พบทางเลยตันเลยแบบ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 คำว่าไม่ไหวเจ็บแล้วคำว่าแย่เจ็บแล้วครอบแล้วคำว่าเออไม่มีอะไรครอบได้ไม่เก็บไม่ปวดโล่งไปเลยเรียกว่าปฏิบัติให้สิ่งเวดล้อมเจตัวเราสร้างสิ่งเวดล้อมช่วยตัวเรามันเราปลูกพิกปลกขักสร้างสิ่งเวดล้อม ลดน้ำใส่ปุย๋ยวันวันสะอาดยังลดน้ำ อ, อ, อยู่มืดแล้วยังลดน้ำมันก็ดีนะรดน้ำตอนเย็นมันชุม่มวันซึมซับดีมันไม่เลอะเหยื่ลดน้ำตอนเช้าเนี่ยชั่วลดน้ำตอนเย็นไม่ได้ลดน้ำตอนเช้ามันเดือบมันเดาแล้วก็เลอะเห ย, ยื่อนแสงแดดมันเผาชีวิตเราประมวนการการจเจริญสติต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่ตัวเรา แม้แต่เสียงไว้ล่องไม่ดีเราก็สร้างเอาสร้างมันดีโดยเพความรูสมร้สึกตัวเป็นหลักความรู้เป็นสึกตัวเป็นหลักอยไปเอาอื่นเป็นหลักเอาตัวนี้เป็นหลักก่อนบุกเบิกไปก่อนมีการกระทาบุกเบิกไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนแถ้าผิดจะโถไม่เป็นไรหรอกรู้สึกตัวรู้สึกตัว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 หงงห้อยนอนหงสารลังเลสงสัยคิดอตดียี่สิบปีเอามาคิดสามสิบปีสิบสิบปีเอามาคิดเรียกว่าอิดธิล้วเกิดพยาบาทอิดแล้วเกิดกามมาละคะมันจุ่มอะไรมามันพื้นขึ้นมามันเอาไปรับเชื่อเชื่อกินเล็ก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 เห็นอกุศลเห็นธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลคือโลภะโทสะโมหะกุศลคืออโลภะอะโทสะโมหะมันก็อยู่เลยกัน อ, นนอะอะ โ, โลภะอะโทสะอะโมหะอะโลภะคือไม่โลภอะโทสะคือไม่โกรธอโมหะคือไม่หลงมันก็อย่างลบใช่ทันทีใช่ทันทีรู้สึกตัวรู้จึกตัว ลูบจุดตัวมันลบผิดลูบจุดตัวลูบจุดตัวใช่ไปเถอะมันจะฉลาดเองหรอยิ่งใช่ยิ่งฉลาดตำรดจจุดตัวโลูบไปลูบไปลูบไปเขาว่าเขารู้นั่นเขารู้นี่ยเอาไว้ของเขาแต่ว่าเราจะลูบของเราไปก่อน เราลูดตัวเดียวเนี่ยจะสะดวกกว่าคนที่ไปผมลูดลูดลูดน้ําผมลูดประละมัดผมลูดสมุดผมลูดวันหยัดผมลูดผมโกดผมหลงผมผมหมดไปแล้วอย่าไปอย่าให้หมูนันเด่นเรารูดสิบตัวแล้มันเด่นไหมบ้างบางทีมันไปถึงที่จุดหมายปลายทางแต่มันค่อยลูกขึ้นหลังก็มีเหมือนกันอลูกขึ้นหลังก็มีเหมือนกัน โตไปโอ้ไม่แต่ผ่านมาผ่านมาผ่านมาแล้วเราจะแสดงธรรมก็เลยไม่ตัดรัดขัดกวามเพราะเราผ่านมาแล้วบางทีพอเราเห็นอะไรกบบโห ด, ดโลดเตะตื่นเต้นบางทีมันก็ไม่ไปนะมันอยู่ตรงนั้นนะไปเห็นสุกขก็ติดอยู่กับสุขไปเห็นทุกข์ก็ติดอยู่กับความทุกข์ไปเห็นความผิดก็ติดอยู่ในความผิดไปเห็นความถูกก็ติดอยู่ในความถูก ถ้าเห็นมันก็ตายติดแล้วถ้าเป็นมันก็ติดแล้วเป็นผู้รู้มันติดแล้วผมรู้บางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็ไม่ไม่รู้มันกันถ้าเป็นผู้รู้มันก็มีไม่รู้เป็นโคกันถ้าเป็นผู้สุขมันก็มีทุกข์เป็นโคกันถ้าเห็นมันรู้ไม่มีโคขี้กแล้วถ้าเห็นมันจุกไม่มีโคขีกแล้วถ้าเห็นมันทุกข์ก็ไม่มีโคหรอกขี้กแล้ว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 เิตรงนั้นที่สุดถึงพงศ์จาน์ก็ไปเรื่อยๆไปถ้าเป็นแล้วไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ตรงนั้นแหละดีไม่ดีก็จมเลยนักปฏิบัติหลายชีวิตไปจมอยู่กับควโลกไปจมอยู่กับคนาุ โ, ก, โ ก, กใครโกรอะไรคิดไนได้เราก็เห็นดูไปในโลกนี่มันก็เป็นนะ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 ที่ชอบเป็นการกระทาที่สูงสุดก็เป็นการศึกษาก็ชั้นอุดมสมบูรณ์น ะ, ะวันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนประกาศข่ายคล้องกันอะฮ์มฺมฺตมฺตมฺตะม